พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22กุมภาพันธ์5 8มีชื่อเรื่องว่าแบ่งบุญวันนี้เป็นวันที่ ย2่สิบสองกุมภาพันพธุสกุศรสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้พระในวัดของเราทั้งหมดสามสิบสองรูปนะไปฉันที่งานทำบุญประจำปีของบ้านนาคำน้อยวัดบ้านแปดรูปที่ต่งางชาวบ้านนด้มนต์แต่ตามไม่จริงวันนี้ พี่น้องชาวบ้านนาะคำน้อยคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการของหมู่บ้านก็นิมนต์หลวงพ่อไปเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อมีนัดก็เลยให้พระที่มีอายุพรรษาในวัดของหลวงพ่อไปทั้งหมดแปดรูปแต่ตามไม่จริงการนิมนต์ครูบาอาจารย์ก็ อยากจะได้หลวงปู่หลวงตาที่เป็นหัวหน้าวัดนะไปแต่ว่าหลวงปู่หลวงตาหัวหน้าวัดเนีเป็นพระสาธารณชนจะไปข้างใดข้างหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ยังไงหลวงพ่อต้องมองดูว่าจุดไหนที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในความรู้สึก ของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปจุดนั้นเพราะอย่างนึงอย่างในก็ในหมู่บ้านของหมู่บ้านนาะคำน้อยก่อนเนี่ยแหละทำบุญสนุกสนานมาลุมมาตุ่มมาตุ่มมาลุมตั้งแต่เมื่อวา น, นหมอลำสิ่งหมอลำหมูก็สนุกสนานกันพอสมควร แต่ตอนเช้าก็เลี้ยงถวายพระหลวงพ่อให้พระไปร่วม ง, งานหลวงพ่อก็ลงมาฉันที่ศาลาตามปกติแล้วได้สองวันมาแล้วหลวงพ่อได้ประกาศเพราะมีเวลาจํากัดหลวงพ่อจะได้อาจจะได้พูดวันเว้นวันหรือว่าพูดให้ที่เนื่องจากพวกเราจะได้ทําบุญ อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณในวัดของเราผู้ที่มาร่วมสร้างวัดป่านาคำน้อยตั้งแต่ปีสองสามมาจนถึงปีห้าห้าปีห้าแปดเป็นเวลากล่วมสามสิบปีเพราะนั้นคนศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญมีทั้งพระมีทั้ง ศรัทธาญาติโยมรวย <c oughs> ที่ให้กำลังให้ทุนทรัพย์ให้กำลังกายมาช่วยพัฒนาและก็มาช่วยความคิดก็มากมายหลายท่านโรลงรยตามอายุสังขารเกิดแก่เจ็บตายแต่พวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายจากผลงานจากทุนทรัพย์ของท่านเหล่านั้น พวกเราที่อยู่เบื้องหลังไม่มีอะไรจะทดแทนพวกเราได้มาเดินโงกรมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาบา ร, รมีสิบทัศสามสิบทัศในที่บริเวณแห่งนี้ ป, ป่านาคำน้อยแห่งนี้พวกเราได้บาเพ็ญกุศลเพราะนั้นเราล้ำลึกถึงพระคุณพระคุณท่าน ที่ได้ลงทุนให้พวกเราได้รับความสะดวกสบายปีหนึ่งปีนี้น่ะเราหลวงพ่อและกําหนดขึ้นเป็นวันที่สามวันที่สามตอนเย็นประมาณหนึ่งทุ่มก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์เป็นสาธารณะพิธีเพื่อรวบรวมกลุ่มสัทททยญาติโยมจากนั้นก็คงจะไหว้พระรับสินแล้วก็หลวงพ่อจะได้กล่าวปารกเรื่องงาน ว่างานของเรามีอะไรบ้างมีจุดประสงค์อะไรเราจะทำบุญยังไงในการจัดงานในคราวนี้ครั้งนี้ตอ่อเจนตอนเช้าพวกเราก็ทำบุญตักบาตรในบริเวณศาลาหลังนี้หลังนอกนะจากนั้นก็ปีน้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผูท้ที่สะดวกสบายแต่รับความอยากทำบุญวันนั้นเป็นวัน มาคบูชาด้วยนะเป็นวันพระใหญ่วันที่สี่เป็นวันมาค้าบูชาเป็นวันสำคัญยิ่ ง, งในทางพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะได้มาร่วมกันตักบาตรเสร็จแล้วก็เข้ามาศาลาก็าคงจะมีการไหว้พระสมาทานศีลห้าจากนั้นก็ได้กล่าวคาถวายทานอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณสำหรับพวกเรา เพราะนั้นในงานนี้กับหลวงพ่อเองก็ไม่ได้จัดงานหรว่าัดเรื่องงานใหญ่แต่ผู้ใดได้ยินก็มาพระสงฆ์ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่รู้จักมักค้นเข้ามาแต่โรงทานมีไม่มีผู้ใดต้องการอยากจะมาทำโรงทานเลี้ยงแขกคนเลี้ยงพระสงฆ์มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็เข้ามา ติดต่อกับฝ่ายพระได้จากนั้นก็เมื่อจตุปัจจัยที่ได้ส่วนบุญส่วนกุศลหลวงพ่อก็จะเน้นไปในทางอุทิศส่วนกุศลกับผู้มีอุปกรณแล้วก็จะนำจตุปัจจัยที่จำนวนที่ได้มามากน้อยไม่ว่ากันเราไมา่ได้เน้นหนะักแต่ เ, เมื่อได้มาแล้วก็จะน้อมนำ ไปเข้าบัญชีเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะว่าหลวงพ่อได้รับไว้แล้วว่าจะสร้างเจดีย์ถวายอุ่ถวายองค์หลวงตาเป็นหาวิชบูชาห้าสิบล้านบาทอย่างที่หลวงพอ่อประกาศแล้วประกาศอีกคําประกาศออกไปนี้แปลว่าคําไหนก็ต้องให้ให้ได้สําเร็จแต่การสร้างพระเจดีย์นั้นยัง แต่การดําเนินงานนั้นยังดาเนินงานไปอยู่พอลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตามีมากจะทําแบบปุรับง่ายๆก็ไม่ได้จะตัดสินใจผู้ใดใครผู้หนึ่งตัดสินใจเลยก็ไม่ได้ถ้าติดตผล น, นี้ตัดสินใจแต่คนนั้นไม่ยอมรับก็ต้องฟังหลายๆหมู่หลายๆกลุ่มหลายๆคณะเพราะฉะนั้นการสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาก็เลยทําให้ล่าช้าไปพอลูกศิษย์ลูกหาลูกหลายคน ปีน้องหลายคนเราต้องใจเย็นนะเรื่องใจดีต้องสร้างแน่เพราะนั้นพวกเร า, เาในฐานะลูกหลานเหลนที่องค์หลวงตาของท่านก็ได้มาช่วยวัดของเราเนี่เป็นเท่าไหร่กำแพงวัดยาวทั้งหกร้อหพเจ็ดร้อมเมตรกว่าเมตร หกิโลกว่าเกือบเจดกิโลแล้วก็ทําสระน้ําอะไรต่อไม่อะไรให้กับวัดเราอันนั้นเรื่องเป็นรูปประธรรมแต่ส่วนนามธรรม ท, ที่สั่งสอนพวกเราให้ลืมตาเห็นอัตเห็นธรรมเป็นเห็นแสงสว่างธรรมะเข้าสู่จิตใจนั้นอันนั้นมากมายมหาศาลยิ่งกว่าอามิตฉุบูชาอามิตรที่ท่านให้พวกเราอีกต่างหากเพราะนั้นพวกเราที่อยู่ เบื้องหลังเนี่ยเราปฏิบัติบูบชาใช่เราก็ปฏิบัติลำเลึกถึงพระคุณขององค์ตาไม่เว้นแต่ละวันแต่ละครั้งในคณะเจ็ดที่เราคิดถึงอัดถึงธรทำแต่อามิตจบูชาพวกเราควรจะมีอามิตจบูชาด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้ตั้งหลักขึ้นมาเป็นอามิตจูบูชาเพื่อบูชาเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะ เพราะนั้นคือแจ้งข่าวให้กับพระนสทายาทจวมลูกกลานได้ทราบทุกคู่ทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อพูดไปแล้วนะสรุปตรบท้ายทุกครั้งพะวะ่าพวกเราไม่ต้องหนักใจให้ฟังเอาไว้คํานี่ไม่ต้องหนักใจทําด้วยศรัทธาทําด้วยความเต็มใจจะมากหรือน้อยตํามด้วยความศรัทธาอย่างหลวงพ่อประกาศหลวงพอ่อประกาศด้วยศรัทธาคือความเชื่อ ในองหลงตาอว่าจํานวนเท่านี้เอแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยิน่พวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะหงายหลังไปโกลละทิฏฐาทางเหมือนกันแต่หลวงพ่อเนี่เยเฉยเอสบายใจคิดว่าไม่ไม่มีปัญหา <c oughs> เพราะศรัทธาของหลวงพ่อเองเป็นหลัก <c oughs> วันนั้นขอประกาศให้คณะสัตาายาธิโธมลูกหลานเน่าวันที่วันดังกล่าว วันที่สามมีนาวันที่สี่เป็นวันมาค้าปูชามีนาห้าแปดเป็นวันทาบุญลำเลึกถึงผู้มีอุปกรคุณของวัดนี่แหละคำว่าพระคุณคำนี้นะหที่ในหลักของพระพุทธศาสนานะท่านถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ผู้มีอุปกรคุณ อย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศพระธรรมคำสอนแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนรัทธายาโยมทุกหมู่เหล่าตั้งแต่ปีปีนี้กั 2,558 ปีให้หลังแต่พวกเราจะทำสังฆกรรมหรือจะทำอะไรไหว้พระสวดมนต์รับสินประกอบคุณงามความดีเราก็ต้องได้กล่าวนะโมตัสสะปะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ความแปลหรือความหมายน้ำโมดัก่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็คือพระองค์ไหนพระองค์คือพุทธมีองค์เดียวเออในครั้งนี้ยุคนี้สมัยนี้มีองค์เดียว <c oughs> คือพุทธเพราะนั้นเราจะทำอะไรเราถึงระลึกถึงพุทธออจากนั้งพุทธทางธรรมังสังขังยึด เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอีกต่างหากเพราะนั้นพัะคุณคํานี้เนะี่ยพวกเราเกิดมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ใดองค์ใดที่ให้ความรู้ความฉลาดกับพวกเราให้แนะนำทำคําสอนกับพวกเราเราอย่ามองข้ามให้เราลำลึกถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ใช่บอกว่าเออพวกท่านทั้งหลายมาอยู่กับเรามาอยู่กับหลวงพ่ออินเนะี่ ให้ลำลึกถึงถลงพ่ออินนะหลวงพ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่หลวงพ่อก็ลังลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อตกุกตุกพระองค์อันนี้หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่แต่หลวงพ่ออินองค์เดียวพ่อแม่ของพวกท่านละ่ะครูบาอาจารย์ของพวกท่านแต่ละท่านไม่เหมือนกันอีกต่างหากเพราะนั้นแต่ละท่านแต่ละองค์ตั้งแต่ครูโรงเรียนเป็นเ อ, อครูมาให้ลำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ คนละมากคนละน้อยไม่เสมอกันอย่างพ่อแม่ของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ลลลึกถึงพระคุณทําบุญคราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อก็จะต้องบอกพี่น้องศรัทธาญาติโยมเพี่ๆน้องๆลูกหลานของหลวงพ่อเหมือนกันให้มาร่วมทําบุญนะ่ลูกหลานนะลําลึกถึงปู่ย่าตายายคุณพ่อของพวกเราอลําลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านมีอุปการะรคุณสําหรับพวกเราหลวงพ่อก็เลยประกาศบอกไปทางญาติเหมือนกัน เพื่อให้มาทําบุญร่วมกันทําบุญแต่สําหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ตั้งแต่หลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงตามหาบัวหลวงปู่แหวนหลือครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้เข้าไปกราบเคารพสักการะอหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่เขาหลวงปู่น้องแสงหลวงปู่ต่างๆที่หลวงพ่อเข้าไปกราบหลวงปู่เจงทองอ มีมากมายที่หลวงพ่อจากนั้นก็ได้วัดฟังทำคาสอนทำมเมล็ดจกศของท่านประวัติของท่านเราก็เคารพรับถือเลื่อมใสในคติธรรมที่ท่านได้พูดออกมาเราก็ได้นํำทำคําสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราอันนี้คื อ, อท่านแนะนําสั่งสอนทางด้าน จ, จิตใจแต่พ่อแม่ของเราเนี่ยเลี้ยงมาทางด้านทางด้านร่างกาย ร่างกายก็คือเนี่ยพ่อได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผู้มีอุปกระคุณในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมวควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือพระคุณของพ่อแม่ แต่พระคุณของพระอาจารย์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้ธรรมะท่านแนะนำสั่งสอนตั้งแต่ครูโรงเรียนท่านก็นสอนตั้งแต่กอไก่จนถึงหอนก ค, คู่เลขหนึ่งถึงเลข10บเรียบร้อยออจากนั้นก็นสอนวิชาเรื่องต่างๆที่พวกเราจะรับรู้รับเรียนรู้ได้ในการเป็นอยู่ของแต่ละ สถานะในเรื่องนั้นอันนั้นก็คือครูบาอาจารย์แต่สําหรับครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเน้นหนักก็คืออย่างองคหลวงปู่ล่าหลวงตาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ท่านแนะนําสั่งสอนจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ให้รื้อพบหรือ ช, ชาติไปหาไม่ให้เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอย่ามาเกิดจะเกิดมาพบใดชาติใดแก่เจ็บตายจะต้องตามมา ถึงพวกท่านทั้งหลายแน่ๆเ น, นี่ท่านก็ได้แนะนำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเอ่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนอย่างไงท่านก็ยึดตามแนวแถวพุทธธรรมสงฆ์จากนั้นท่านก็จะนํามาประพฤติปฏิบัติเมื่อนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไงท่านก็ได้นำทำคําสอนที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมันบอกเราอีกบอกมาบอกพวกเราจุดนี้เป็นจุดที่จําเป็นสําคัญ ถ้าจะว่าเขียนเป็นตําราหรือไม่ตาราจุดนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่ละคนแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงด้านจิตใจแต่พวกเรานึกดูัิใจของเราแต่ละวั น, นคิดมันกี่เรื่องกี่ราวกี่เลขเหลี่ยมชันเชิงกี่ตลบกี่ตะแลงใจของเรา เ, เพราะฉะนั้นธรรมะทำคำสอนเนี่ยจะต้องให้ปเปก็ประกบหรือให้ไปทัน ให้ทันสกัดจิตประเภทต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันเพราะฉนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านได้ผ่านมาแล้วในจุดนั้นท่านก็ได้นํำทำคําสอนมาบอกกล่าวแนะนําของเราต้องคิดอย่างนี้นะต้องสกัดอย่างนี้นะถ้าใจมันว้าวีดต้องคิดอย่างนี้นะถ้าใจมันคึกขนองต้องคิดอย่างนี้นะถ้าใจมันซึมซึมเศร้าต้องคิดอย่างนี้นะอถ้าใจของเรามัน พยองพองตัวลืมตัวต้องคิดอย่างนี้นะ อ, อย่างนี้นะอันนี้คื อ, คอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้สกัดความคิดอย่างพวกเราพยองพองตัวเออมันคิดว่ามันจะไม่ตายต้ตองคิดมรณะภัยต้องคิดดูนะเอาทาคำสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้นะมาใช้นะคิดถึงมรณะภัยนะคือความตายนะ อ, อย่าไปคึกขนองนะอย่าไปลืมตัวนะใจนะใจนะกายนะตายแนะ่ๆนะ ให้สกัดเอาไว้้ามันขนองนะามันซึมเศร้าเราต้องะระลึกถึงพระคุณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรเออไปซึมเศร้าเพื่ออะไรให้โง่ทำไมเออเราต้องพยายามเออดูจิตดูใจของตนเองนะเออเรือเรือเราเมีลุ่มหลงในกรร ม, มกิเลสต้องพิจารณอาอสุภะนะแน้นเรื่องอสุภะนะร่างกายสร้างขารมันมีแต่ของ ไม่จีรังถาวรมีแต่นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเออมันจะเสร็จสวยงดงาบปางที่ไหนดูให้ดีนะใจได้เสียงเหล่านี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำสั่งสอนศิษยานุศิธิ์ของท่านเออหลวงพ่อได้รับมาอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะได้มาถ่ายทอดให้กับคณะศิษย์ลูกหลานทั้งหลายได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษานะ เพราะนั้นอย่างว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ธรรมะให้ธรรมะที่จะรื้อพบรื้อชาติไม่ให้ไม่แหมมาเวียนไหวตายเกิดอถ้าเวียนไหวตายเกิดอีกแตแกเจ็บตายก็จะต้องตามมามันไม่หลีกลี่หนีไม่พ้นเออเพราะนั้นอาการลำเลึกถึงพรนะพคุณเหล่านี้น่ะแต่พระคุณเหล่านั้นที่ลุงพ่อพูดมาทั้งหมดเอตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ พ่อแม่ตั้งแต่ผู้มีอุปกรณคุณเลี้ยงดูเรามาวิญญาณเหล่านั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นพระคุณเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากอย่างไรพวกเราได้พบพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มาปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้แล้วอย่างนี้แล้วพวกเราควรจะลําลึกถึงแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเป็นบางกลางบางครั้ง อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพรวกนั้นหลวงพ่อจึงมีการกําหนดขึ้นมาและเป็นการทํา บ, บุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มี อ, อุปรกรณคุณดังกล่าวนะทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเคยยกองค์หลวงตามาเป็นแบบฉบับมาเป็นแบบอย่างคือองค์หลวงตาหรือคือโยมมารดาของท่านในมรณภาพลงไปเป็นแม่ชีน ะ, ะที่มัดป่าบ้านตาจากนั้นท่านก็ถึงครบปีท่านก็ ทำบุญอุทิศสวนให้โยมมันดาทำบุญอุทิศทำบุญให้ลำเลึกถึงพระคุณของโยมมันดาบิดาของท่านอพอต่อมาท่านก็เลยตั้งชื่อหมายว่าโยมมัรดาเขาอยู่ในสามแดนโลกธาตุเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอา้าวเราจะถามทำบุญเปิดโลกธาตุเปิดโลกธาตุเขาเปิ ด, ท, ปดทําบุญอุทิศสวนกุศลให้กับทกทกฟิญญาณ ถ้าวิญญาณไหนก็ตามที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้พวกเรายินดีทำบุญอุทิศให้กับให้ท่านคล้ายว่าท่านผู้ใดก็ตามมาถึงเราเราพร้อมที่จะแบ่งเงินใส่มือให้ท่านให้ท่านไปหาซื้ออยู่ซื้อกินท่านจะไปที่ไหนเขาไปได้เพราะท่านมีทุนมีเงินแต่วิญญาณไหนที่อยู่ในกงขังห้องขังเป็นจัิรชานที่มาไม่ได้ ก็แปลว่าเกมจบไปแต่วิญญาณไหน เ, เพราะว่าการทาบุญอุทิศส่วนกุศลนี่นะศรัทธาญาติโยมไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนไม่ใช่ผู้ที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั่นก็คือเปรต อ, ส, อสุรกายเปรตทวิสัย เ, เป็นพวกเปรตที่ล่องลอยอยู่ที่จะต้องได้รับถ้าไปเกิดบนสวรรค์อาหารของสวรรค์การเป็นอยู่ของสวรรค์ก็จบไป ถ้าไปเกิดเป็นพรมท่านก็อยู่ในฐานะพรมสวยความสุขปีติสุขเอกาตาก็จกไปถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อาหารมนุษย์ก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเอไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉาญจัตติรฐิฉาญแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันเราอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ได้รับทั้งหมดถ้าไปตกนรกกับมันลึกเกินไปไม่อยู่ในกองขังยื่นก็ไม่ถึงไปในไปชนีสงไม่ถึงค่อ ถ้าว่าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉันแต่ละประเภทเ ก, กรรมของใครของเราเขาใช้กรรมอยู่ส่งให้ไ่ถึงแต่เปรตสุรกายเปรตวิสัยในร่องรอยบุญก็ไม่มากมากบาปก็ไม่มากพอตายไปแล้วแปลว่าร่องรอยอถ้าวาญาตพี่น้องของเราในอดีตชาตาิไปเกิดขึ้นมาในพบพุทธศาสนา แล้วเราอยากจะอยากจะแล้วเขาไปรอคอยเออท่านถ้าทําท่านทําแล้วเนี่ยท่านอุทิศส่วนกุศลให้เราไหมถ้าท่านอุทิศส่วนกุศลให้เราเราก็ได้ร sure exactly really ับในบุญกุศลที่เขาอุทิศให้นั้นนั่นคือพวกเปรดเปรดไอ้สุรขายเป็ดวิศัยเปรดคําว่าเปรดคำนี้คือคือวิญญาณไม่ใช่ว่าเป็ดที่เป็นผมยาวขายาวตัวผอมไม่ใช่อย่างนั้นนะคล้ายๆกับว่าใต่บุพกรรมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ว่า อันนี้คือดวงวิญญาณแสดงออกอถึงถึงถึงซึ่งความทุกข์ในอัตภาพของเป็นเปรตนั่นคือคือดวงวิญญาณแสดงออก อ, อย่างที่เปรตพระเจ้าพิมพิสารเป็นตัวอย่างนะ เ, เมื่อพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติท่านเป็นขุนคลังขุนคลังของพระพุทธเจ้าปทุมมตระนะ เ, เป็นขุนคลังของอกรมาร ใครๆว่าเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าชายสามท่านแต่มาพบนิชาตินี้ท่านได้เป็นอุลุเวลานาทีกัตตาปะนะแต่พระเจ้าพิมพิสารเป็นขุนคลัง เ, เวลาจะทําบุญกับขุนคลังก็เบิกเงินแล้วก็ให้บริวารให้ไปทํทำโรงทานทําอาหารเลี้ยงพระสงฆ์พร้อมกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ไม่ก็ดีทําดีด้วยความจงรักภักดีทาด้วยความครบร พอต่อมาที่คนมีกิเลสใช่ไหมโลคโกรธหลงพอทําอาหารเสร็จแล้วกเด็กเล็กลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องการกินเอ่อพุนก็กินกินแบ่งกินอพอมันแบ่งกินเสร็จแล้วก็กินก่อนพระพุทธเจ้ากินก่อนพระอรหันตสาวกเนีลยอกินอาหารที่ขุนคลัง อ, อทําเบิกเงินออกมาให้นะเ อ, อกินแบบอ อ, อ, อกินเศษเหลือแล้วยังเอาไปทําบุญทําทาน บาปกรรมตัวนั้นเนี่พอตายไปขุนคลังเขาได้บุญเลยเพราะขุนคลังเนี่ยเขาทำาดยศรัทธาเนี่ยเบิก เ, กเบิกออกมาเท่าไหร่ก็ให้เขาไปแต่คนเอาไปดำเนินการนี่นะไม่ถูกเถอะเนี่ยนะไปกินของที่ถวายพระพุทธเจ้าพระหันทศาก ว, วกอะโผล่ในสูตรตายลงไปขุนคลังกไปสู่สวรรค์เออแล้วก็เออ จอบฟ้าชายสามคนกับบริวารอีกพันพันคนไปสู่สวรรค์ทั้งหมดแต่พวกบริวารเนี่ยบริวารที่ทำอาหารเนี่ยตกนรกเถพอตกนรกมาเป็นเปรตเป็นเปรตที่หิวโหวยเพราะบาปกรรมตัวนั้นให้ผลไม่รู้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ยาวนานทีเดียวจนมาถึงพระพุทธเจ้าของเราพระโคตมะ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่นานก็มาปลดเฉดินสามพี่น้องอุลุเวลานาทีกตปะขยากตถะคือเจ้าวัดชายนะเจ้าฟ้าชายมีบริวารคนพี่ชายห้านะทหารห0 0รอติดตัวนคนที่สองเนี่ยคนที่สองคนที่สามเนี่ยรวมแล้วเป็นรวมกัน ทั้งพี่ทั้งน้องสามพี่น้องเนี่ยได้บริวารพันพันคนกวดีรวมทั้งหัวหน้าสามพี่น้องเนี่ยเป็นพันสามพันสามท่านอเออตีนี้ก็พระพุทธเจ้าเดี๋ไปโปรดอุรุเวลาก็จะประพี่ชายใหญ่เกิดความพรพนับถือเลื่อมใสบวชที่เป็นนับที่เป็นลือสีที่ปฏิปภุดพดดูที่กุงราชคือ พอบวชเสร็จแล้วก็ น, น้องชายคนที่สองบวชบริ บ, บราลอีกสามร้อยพอน้องสายคนที่สามบวชบริวาลสองร้อยรวมแล้วเป็นฤาษีเหล่านี้นะรูเ้เวลานาทีขยะกัจจปันพันกับสามคนแต่พระเจ้าพิมพ์ิสาร เ, เป็นขุนคลังมาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชาคักขนะจากนั้นพระพุทธเจ้ามาโปรด ฉดินสามพี่น้องเสร็จแล้วบวชเสร็จแล้วก็โปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเกิดเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะใช่ไหมในอดีตในชาติอยู่แล้วนะแต่พอเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็จะถาวายวัดป่าเวลุวันเตะป่าไม้ไัยเหมือนกับสวนลุมหรือว่าสวนหลวงอย่างนี่แหละถาวายต่อพระพุทธทเจ้ามันจะเป็นป่าดงเป็นป่าที่ให้พระเจ้าเป็นดินหัว สงวนเอาไว้สำหรับพักพรในกรุงราชคือพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายพระพุทธเจ้าเทน้ำพักหิโนโนทกลงแผ่นดินสักขีพยานให้แผ่นดินเป็นพยานข้าพระเจ้าขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระพุทธองค์ก็รับพอรับเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายเสร็จแล้วก็ไม่ได้อุทิศสวนกุศล อกับเพียงหวังด้วยความปีติอินดีปริมใจอิ่มใจเพราะคนท่านเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านมันได้คิดอย่างอื่นแล้วเพราะท่านได้ธรรมะเป็นพระโสดาบันแล้วอแล้วก็ลูกพี่ที่เป็นที่เคารพนับถือเริ่มงสายกระบวดเป็นพระหมดแล้วอุรุเวลานาทีกะทระสับะอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่นั้นท่านเสด็จมาที่เวียงหวังแล้วเปรตอย่างที่ว่าเยเปรตที่ทํากินอาหาร สมัยพระเจ้าปฐุมุตระสมัยนั้นนะพระเจ้าพิมพิสารไม่แบ่งไม่แบ่งบุญกุศลให้นะใครๆว่าเ อ, อพอไปขายได้เงินเหรียญเข้ามาแล้วก็จับจัดเข้าไปในคลังเลยเ อ, อไม่ได้แบ่งให้บริวารไม่ได้แบ่งให้กับใครเลยแต่นี้บริวารก็ไม่ได้เลยเะเนะพ อ, อไม่ได้ทิศอุทิศกุศลกุศลให้เขานะ่ะจะได้เปรดทั้งหลาย เ, เหล่านั้นก่อน อ้าวทำไมพระเจ้าพิมพิสารลูกพี่ของเราเนี่ยขุนคลังที่เป็นเจ้านายเรามาเก่าไม่คทิพย์ไม่แบ่งบุญกุศลให้กับพวกเราเลยเนะจากนั้นพอกลางคืนมาเปดเหล่านั้นก็แสดงตนให้ปรากฏแขวนหน้าตรงไอ้ลุงตรงนางแขวนคือบงังอะไรบั่งทั้งผมยาวทั้งตัวผอมบั่งกระโดดโลดเต้นแถบนั่นแหละแสดงให้พระเจ้าพิมพิสารรูนะ้พระเจ้าพิมพิสารนอนหลับห นอนไม่หลับทั้งคืนเลยจ้เนี่พราะมันเห็นผิดปกติตะก่อนไม่เคยมีในเวียงหวังทําไมเจ้ว่าคนก็ไม่ใช่ปิดหน้าตรงหน้าต่างใสกรอนอย่างดีมันมันเข้ามาได้อย่างไรเอ้ผลในสยตคนเน่ะนอนไม่หลับทั้งคืนพอพรุ่งนี้เช้าเขาออกไปกราบพระพุทธเจ้าแต่เช้ามืดเลยเจ้เนี่ยพระพุทธองค์ก็รู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนอนไม่หลับนะพระองค์ก็ถามว่ามหาโมเพทไปง่ายบรรทมสลับนอ น, นอนหลับรีอยู่เหรอ โอ้ยข้าพระ อ, องค์นอนไม่หลับทั้งคืนพระเจ้าค่ะทำไมเพราะไม่รู้อะไรเสียงอ้หลุงตุงนางตรุษตุงตั ง, ง, งไปหมดอีแต่จัหวาดมองชัดๆกงไม่ใช่แต่เห็นว่ามันอตัวผมผมยาวๆผมอะไรมันดูๆมันน่าเกลียดน่ากลัวไปหมดอยู่ในเวียงวงังพระเจ้าค่ะเออนั่นแหละเป็นญาติของพระ อ, องค์ในอดีตเนะ่ยเมื่อพระ อ, องค์ทําบุญถวายแผ่นดิน ไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้อุทิศสวนกุศลให้เขาเมื่อวานนี่โอ้ท่านอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทําบุญอีกบวยเทินวันวันวันต่อไปข้าพระองค์จะทําบุญอุทิศสวนกุศลให้เขาพระพุทธองค์เมื่อเขาเอกราบราถนาอย่างนั้นโดยตามประเพณีของพุทธะแล้วท่านจะนิ่งเงียบไปวรับล่ะคําวันนิ่งเงียบไปวรับล่ะเพราะเจ้าปีนภิสารรู้แก่ใจกว่าพระพุทธองค์รับแล้ว ก็ขอในมณฑลพระองค์ไปฉันในเวียงวังฮะเพราะว่ามันเกิดเรื่องในที่นั่นฮะจากนั้นพระเจ้าพิมพิสานก็ทําบุญอุทิศสวนกุศล อ, อมีข้าวน้ําโภชนะอาหารเสร็จเรียบร้อยก็กล่าวเมื่อบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้อญาติพี่น้องของข้าพเจ้าในอดีตชาติที่ตกทุกข์แต่ยากอย่างไรอยู่ ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในทําบุญในคราวนี้คราวนี้หรือคราวก่อนๆทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีมาขอให้เปรตทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญจากส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกคราวทุกครั้งโดยเทิดจากนั้นพระองค์ก็อนุโมทนาให้พรพระเจ้าพิมพิสารก็เทน้ําทักขีโนโทกอุทิศส่วนกุศล พอตกกลางเคินมาจะเน่เปดเหล่านั้นเนี่ยตัวที่ผอมๆเอ่อยาวๆอะไรดวงูุซิลร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์เท่เนี่เอออ้วนท้วนสมบูรณ์ร่างกายรู้สึกว่าเซ็ตสวยงดงา ม, า ม, ามแต่ไม่มีผ้านุ่งเท่เนี่ไม่มีไม่มีผ้านุ่งไม่มีเสื้อผ้าเออเปื่อยกายพระเจ้าพิมพิสารก็เห็นอีกเนี่ยตอนนั้ก็ไปการาบพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าเออ ม, มหาบพิษเมื่อวาน ได้ทําแต่อาหารไม่ได้ทําไม่ได้ถวายผ้าให้กับเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มีผ้านุง่งโอทางงั้นข้าพระองค์ขอทําบุญอีกรอบสองพระเจ้าข่าพระองค์ก็เน่งอีกอพอถึงวันลุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพ์พิสากรก็เตรียมผ้าแล้วก็อาหารด้วยผ้าผ้าด้วยแล้วกุทิศสวนกุศลออพอเสร็จแล้วนี่หายเงียบไปเลย พระเจ้าพิมพิสารขอกไปไหนพระเจ้าค่ะเมื่อเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วแต่เปรตเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนทุกข์จนทีเดียวแต่ก่อนเขาก็ได้สั่งสมคุณงามความดีมีเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับคนเราเนี่ยมีที่ดินมีเงินในธนาคารมีทรัพย์สมบัติอยู่แต่ไปต้องโทษเขาก็เลยจับเอาไปขังในห้อ ง, องขัง ในเมื่อพ้นออกจากห้องขังแล้วนะออกมาเป็นอิจระเป็นไทยแล้วเนะี่ยเขาจะพร้อมที่จะขายที่ดินพร้อมที่เงินธนาคารเขาก็พร้อมที่จะได้รับนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละในเมื่อเขาใช้กรรมเขาก็หิวโหวยทุกยากเพราะเขาทากรรมที่ไม่ดีเอาไว้เมื่อเขาพ้นจากกรรมนั้นแล้วนะบุญกุศลที่เขาทำในอดีตมันก็มาเข้ามาหาเขาบางคนก็เป็นเศรษฐีได้อีกเหมือนกัน นี่แหละอะไรล่ะคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพวกพวกเราผู้นั้นพวกเราที่ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยหลวงพ่อว่าเดินตามแนวแถวของพุทธทักที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์วางไว้อย่างไรที่หลวงพ่อพาดําเนินไม่ใช่หลวงพ่ออินพาแปลกแวกแนวทําอย่างครูบาอาจารย์ไม่เคยทําไม่มีในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะ หลวงพ่อจะต้องมองสูงมองต่ำมองซ้ายมองขวามองรอบด้านและจะเดินยังไงพาคณะสิทธิ์ศรัทธายาโยมไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมนะหลวงพ่อจะพาดําเนินเดินตามไปแนวแถวที่เป็นธรรมนั้นๆนะ่ะ เ, เราจะอ่างทั้งพระไตรปิฎกกระช่ายอ่านถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อ, องค์ลุงตาพาดําเนินอย่างนี้กเ็เป็นแนวแถวที่ท่านพานดําเนินมานั้นขอให พวกเราคณะจัตตารายาโยมลูกหลานทุกคนนะให้รับรู้รับทราบได้ฟังได้ศึกษาและก็นำไปกันกลองไตรตรองค้นคว้าศึกษาต่ออีกก็ยังได้นะ <c oughs> พอความรู้มันไม่ไม่ใช่อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนะต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร